ฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้อุทิศชีวิตของตนต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์แล้วเหตุที่เราจะอุทิศชีวิตของเราอย่างว่านี่ก็เพราะเราพิจารณาเห็น คำสั่งสอนของพระเจ้านี่เป็นนิยานิกะธรรมนำผู้กระพฤตปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้จริงๆริงเมื่อเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนเห็นว่าเป็นของดีจริงเร่นนี้ก็เป็นเหตุให้เราได้ความเชื่อความเลื่อมใส ในพระพุทธเจ้านั้นอย่างแรงกล้าถ้าหากว่าผู้ใดไม่เห็นแจ้งในพระธรรมคำสอนนี้ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็จะน้อยลงหรือความเลื่อมใสในพระสงค์ก็น้อยลงเหมือนกันเพราะว่าพระธรรมนี้สามารถ ทำบุคคลให้เป็นผู้บริสุทธิ์ใจไม่แต่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้ผู้ที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นเพศใดก็ตามเป็นครือหัสก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเมื่อปฏิบัติตามพระธรรมทาสอนไปโดยถูกต้องแล้วก็ยอม ทำจิตใจได้ให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมได้จริงๆเมื่อคนใดมาเห็นจิตใจของตนสงบระงับเยือกีย็สบายด้วยการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมเห็นธรรมภายในใจมันก็ทำให้ความเชื่อมั่นในใจ ต่อพระธรรมนี่ก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับพอเหตุว่าทุกคนนะเกิดมาในโลกนี้ใครใครก็ต้องการความสุขเหมือนกันหมดแล้วก็เกลียดต่อความทุกข์ดังนั้นเมื่อได้มาทำใจให้สงบระ ง, งับลงไป เราได้พบกับความสุขอันยอดเยี่ยมเมื่อได้พบกับความสุขอันยอดยอดเยี่ยมอย่างเนี้ใครลรามันจะได้หมุนไปหาทุกต่อไปไม่มีเพราะว่าทุกคนต้องการความสุขดังที่ว่ามาแล้วนั่นแหละว่าความสุขนี่คือมันทําให้ ชีวิตทีวานี่เบิกบานผ่องใสไม่มัวหมองไม่ทุรนทุรายไม่กระเสือกระสนสงบนิ่งเย็นอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะเมื่อได้พบกับความสงบถูกอย่างว่านี้แล้วมันจะหมุนไปหาความวุ่นวายฟุ้งซ่าน เร่าร้อนอย่างนี้มันจะอยากไปหรือคนเรานนเนี่ยมันก็ไม่อยากไปแล้วเหมือนอย่างบุคคลที่ในหนีออกจากเปลวไฟอันมันร้อนละ อ, อะุมาแล้วอย่างนี้นะแล้วก็ไปสู่ที่ห้องแอร์ห้องเย็น เข้าไปอย่างนี้นะใครจะอยากออกไปหาเปลวไฟที่มันจะรวบร้นให้เจ็บให้ปวดให้ร้อนต่อไปอีกไม่มีใครที่จะอยากไปอย่างนั้นเลยดังนั้นเราผู้เป็นนักบวชนี่ก็ต้องทำความสุขให้แก่ตัวเองให้ได้ หมายเอาความสุขใจนั่นแหละสุขร่างกายนี่เราก็บำรุงมันไปเท่าที่มันจะเป็นอยู่ได้เพราะร่างกายนี่มันเอาแน่นอนไม่ได้บังคับไม่ได้เลยมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาอันร่างกายที่มันจะทุดโทรมไป นั่นมันก็มีเหตุอยู่สองอย่างคือทุดโทมไปตามการตามเวลาเช่นอย่างอายุมากเข้ามาแล้วเช่นนี้นะชราครอบงามแล้วร่างกายนี่ก็ยอมทุดโทมไปนี่เรียกว่าทุดโทมไปตามการตามเวลาอีกอย่างหนึ่งบุคคล ไม่รักษาร่างกายไม่บริหารร่างกายให้ถูกต้องตามหลักอนามัยไปเอาของเสพติดเข้ามาใส่ไปบริโภคของเสพติดเช่นสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนและยาอื่นๆที่เป็นยา ทำลายประสาทหรือกล่อมประสาทหมนี้นะเมื่อยาเหล่านี้เข้าไปทาพิษยอยู่ภายในมันไปทำลายอวัยวะส่วนสำคัญเช่นหัวใจบทดตปอดอะไรหมดนี้นะแล้วเมื่ออวัยวะร่างกายเหล่านี้มันทุดโทรมไปเพราะฤทธิ์ของยา เสพติดดังว่านั้นแล้วมันก็สูบสิตโลหิตไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอมันก็ทำให้คนเรานั้นมีผิวพันธุ์สูบสิตลงไปแล้วก็เลียวแรงอะไรก็โรยลาไปไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนสุดโทมไปยังไม่ถึงการเวลาที่ควรจะสุดโทม เท่าแก่มันก็แก่ไปแล้วออย่างนี้เรียกว่าร่างกายมันทุดโทรมไปโดยความประมาทของตัวเองไม่บริหารร่างกายไปลุกอำนาจแก่ตัญหานั่นนี่ยตัญหามันจูงไปให้ชอบอย่างไรก็ทาตามมันไปธรรมดาตัญหานี่ มันจะไม่ต้องการให้คนมีความสุขมีอนมามัยดีอะไรอย่างนั้นมันไม่ไม่แล้วปัญหานี่มันทางใดมันคนจะเป็นทุกข์มันก็จูงไปทางนั้นแหละให้ทําไปในทางที่มันจะเป็นทุกข์นั่นแหละอันนี้นะให้สัมผากระันสังเกตดูให้ดีเมื่อผู้ได้ ได้สดับคําสอนของพระเทเจ้าแล้วเห็นโทษแห่งของเศษติดเหล่านี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ไปตามอำนาจแห่งตัณหาเมื่อมองเห็นเหตุผลแห่งความวิบัติของชีวิตด้วยปัญญาแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไม่ยอมไปตามอำนาจแห่งความอยากความปัจฉนาสร้งเศษของเศษสิโทษต่างๆเหล่านั้น จะพยายามรักษาชีวิตนี้ไว้เพื่อให้ได้ปฏิบัติธรรมให้ได้ฝึกฝนกายวาจาจิตฝึกฝนกายวาจาจิตของตอนให้สงบระ ง, งับจากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอันนี้การที่เรารักษาร่างกายไว้อย่างนี้มันมีประโยชน์ เรื่องมันน่ะตนก็จะได้ชำระตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสปาประธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการนั้นให้เบาบางไปหรือพอที่จะให้มันหมดสิ้นไปก็ให้มันหมดสิ้นไปเสียร่างกายนี่เมื่อบุคคลรู้จักฉลาดรู้จักใช้ รู้จักอาศัยมันเป็นมันก็มีประโยชน์มากอย่างที่ว่านั่นเนี่ยเมื่อทาตนทำประโยชน์ของตนให้เป็นไปได้ดีมีใจคอหนักแน่นตั้งมั่นตั้งมั่น ง, ง, ง, ง, งามความดีได้แล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้เอื้นผู้ผู้เอืนซึ่ง มีอุปนิสัยวาสนาบา ร, รมีแต่ว่ายังอ่อนโยเมื่อเห็นคนอื่นเขาทำดีเขามีความสงบสุขดีมันก็อยากมีความสุขอย่างเพื่อนก็จะพยายามปฏิบัติไปตามกันนี่แล้วก็จะได้ประสบความสุขความเย็นใจตามกันไป นี่แหละเรียกว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อตนทำประโยชน์ของตนให้ก้าวหน้าไปได้อย่างว่านันนะแต่เมื่อตนไม่ฝึกตนได้หนักแน่นให้ได้ประสบความสุขความสงบใจอย่างว่านั้นนะแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ทำความเพียรสงบกายสงบใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็ยอม เป็นไปไม่ได้ย่อมกระดักกระเดืองอยู่ในใจเอ๊ะตนทำไม่ได้เราจะไปสอนคนอื่นให้ทำไม่ได้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยแล้วมันมันไม่ทำรประโยชน์ไม่มีคนเขาจะทำตามในเมื่อเขามองดูผู้นั้นว่ายังมีกิเลสหนาอยู่ยังมีความประมาทอยู่ อย่างนี้แล้วนันําเอาจากคำสอนของพุทธเจ้าไปสอนแต่ผู้อื่นทำแต่แล้วตัวเองไม่ทำาออย่างนี้นี่คนอื่นเขาก็ไม่เชื่อไม่เคารพไม่ทำตามตัวเองก็ย่อมกระดักกระเดองสำหรับคนที่พอมีหิริโอตตพธรรมอยู่ในใจบ้างแต่ผู้ที่ขาดทิ่นี้โอตตพธรรมแล้ว มันไม่ไ ม, ไม่ไม่สะดุ้งหวาดกลัวแล้วมีแต่อยากจะอวดตัวเลยไปให้คนเขานิยมนับถือนำลาบสการะมาถวายมาให้อันนี้นับว่าเป็นโทษเครื่องเศร้าหมองอย่างสำคัญตัวหนึ่งดังนั้นทุกคนอย่าไปทิ้งถุกคนห้าม ในเมื่อตัวของเรายังเอาชนะหัวใจอันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดยังผ่ายแพ้ตกกิเลสเป็นบางสิ่งบางอย่างอยู่เช่นนี้แล้วก็พยายามทร ม, มานฝึกตนเข้าไปอย่าไปเห็นแก่หลับแกนอนอย่าไปเห็นแก่อยู่แก่กิน ต้องนอนให้พอประมาณลุกขึ้นทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยเพ่งเข้าไปภายในให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าจิตใจมันอยู่ในกายมันไม่ได้อยู่นอกกายให้เข้าใจอย่างนั้น ดังนั้นการภาวนาก็เพื่อที่จะน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตไม่ให้มันพุ่งไปตามอานาจของกิเลสไอกิเลสนี่มันกลัวตั้งแต่คนมีสติเท่านั้นแหละถ้าคนขาดสติสัมปชัญญะแล้วจิตก็ไม่ตั้งมัน่นกิเลสก็ไม่กลัว มันก็ยิ่งลุกขึ้นครอบงำจิตใจได้จูงจิตจูงใจในให้ไปตามอำนาจของมันให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีทิ้นทุดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอยากได้แต่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่เรื่องอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความทะยานอยาก อ, อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้อย่างนี้นะก็ลองพิจารณาดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญญาชนจึงมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสอนให้วดเป็นไม่แสวงหาอะไรเลย สำหรับผู้ครองเรือนแล้วก็ต้องแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเป็นธรรมดาเอามาเลี้ยงครอบครัวแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าแสวงหาตั้งแต่ของไม่เที่ยงนั้นอย่างเดียวให้พึ่งแสวงหาของที่เที่ยงยั่งยืนให้พบให้ได้และจะได้ทำชีวิตอันนี้ให้ยีรังย่งยืนสืบต่อไป ถ้าหากว่าบุคคลไม่คิดที่จะแสวงหาธรรมชาติอันเที่ยงยั่งยืนเช่นนี้แล้วชีวิตนี้ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปกับวัฏฏะสงสารอันนี้อยู่อย่างนี้แหละไม่มีทางที่จะเที่ยงจะยั่งยืนได้เลยก็หมายเอาดวงจิตนี้เองเนี่ย เมื่อจิตนี่ไปทำความยินดีพอใจอยู่แต่ในของไม่เที่ยงอย่างว่ามาแล้วนั่นนะอ่ามันก็ต้องได้ไปเที่ยวเกิดอยู่กับของไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นแหละเรื่อยไปเช่นอย่างร่างกายสังขารอย่างนี้นะก็เมื่อมันไม่เที่ยงเราก็เห็นชัดๆอยู่แล้วมันมีแต่สำลุดสุดโทมไป อยู่นานปีนานเดือนไปเมื่อเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละมันก็ทนได้ยากลําบากมันก็วนไว้ไปมาเดี๋ยวก็เจ็บน้นเดี๋ยวก็ปวดนี้เดี๋ยวก็เป็นอย่างโน้อนอย่างนี้อะไรอยู่อย่างนั้นแหละนี่นะแล้วยังทั้งบังคับบัญชาไม่ได้อีกด้วยไม่เป็นไปตามใจหวังเลยอืม นี่เราจะหาความสุกขมาแต่ไหนในเมื่อเกิดมาแต่ละชาติแต่ละพบก็ได้มาพบสิ่ของไม่เที่ยงไม่ยังยืนคือร่างกายอันนี้เองเนี่ยและนอกร่างกายอันนี้ออกไปมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันเหตดังนั้นมันจึงได้สัมผัสแต่กับความทุกข์ มากก็ความสุขเพระเหตุไะไรเพราะมันร่างกายสังขารอันนี้มันไม่เที่ยงนั่นแหละแต่ถ้าผู้ใดบุญหลายไม่ได้ทำบาปทำกรรมชั่วมแต่ชากรมีแต่บุญมาตกแต่งให้ตกแต่งร่างกายอันนี้ให้ก็ยังชั่วหน่อยอพออาศัยไปอยู่ได้นานสักหน่อย ไม่ชำรดทุดโทมง่ายเพราะว่าบุญกุศลผู้นั้นทามาแต่ก่อมากมันมาหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้ไว้ได้ให้มีกำลังเรียวแรงดีถึงอย่างไรก็ดีเมื่อบุญกุศลที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้น้อยด๋อลงไปแล้วแอ่ร่างกายนี้มันก็ทุดโทมลงไป ม้นจะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายทันวะนนั่นแหละหลีกพ้นความตายไปไม่ได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกนักปราชญ์บัณฑิต ท, ทางหลายในพุทธศาสนานี้จึงไม่พมาดนั่นแหละเมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันไม่เที่ยงนี้อยู่ กเรายังพอถือโอกาสฝึกตนโดยอาศัยร่างกายาไม่เที่ยงนี่แหละฝึกตนไปได้อยู่เพราะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละบุญกรรมมันยังที่ตนทำมาแต่ก่อนมันอุปถัมภ์บำรุงอยู่ให้มีกำลังดีอยู่อย่างนี้ละเราก็ทำความดีได้น ะ, ะถึงแม่ร่างกายนี่มันจะไม่เที่ยงมันก็ไม่แตก ทำลายปุ๊บปั๊บไปทันทีมันค่อยสุดโทมไปทีละน้อยละน้อยส่วนใหญ่ยังมีกำลังดีดังนั้นอย่าอย่าปล่อยให้ร่างกายนี้มันสุดโทมไปเสียเปล่าเปล่าอย่าปล่อยให้บุญกุศลที่ตนได้สร้างมาแต่ก่อนนั่นน่ะมาตกแต่งชีวิตที่ให้เกิดขึ้นมา แล้วจะปล่อยให้บุญกุศลอันนี้มันล่วงลยไปเสียเปล่าในเวลาที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้อยู่แล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจใช้กายนี่แหละทำความเพียรเข้าไปสำหรับผู้ครองเลือนยังหนุ่มยังแน่นก็ตั้งใจศึกษาเรียนวิชาความรู้ ด้วยความหมั่นความขยันด้วยการท่องการจําอวิชชาความรู้ให้ได้มังมากที่สุดเท่าที่จะมากได้มเมื่อจเจริญวัยใหญ่โตมาตนก็จะได้อาศัยความรู้ความฉลาดที่ได้ศึกษาเราเรียนหลักวิชาต่างๆมาเช่นวิชากเกษตราตรวิชาหัตถกรรมการก่อการสร้าง การเป็นช่างต่างๆโมนี้นะวิชาธรรมศาสตร์เกี่ยวกับการบ้านการเมืองการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองและแต่ใครถนัดวิชาความรู้อะไรก็ตั้งใจศึกษาเราเรียนแค่เวลายังหนุ่มแน่นเมื่อเรียนจบตามกฎเกณฑ์ของเขา แล้วอย่างนี้เราก็ได้อาศัยความรู้อันนั้นแหละสวงหาการงานทําการทํางานคนเราเมื่อมีงานก็มีเงินอเมื่อไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินอืนั่นแหละงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเขาว่าไว้นั่นนะมันก็ถูกต้อง เมื่อมีทรัพย์ภายนอกครับอย่างว่านั้นเป็นที่อาศัยแล้วมันก็ได้โอกาสเข้าวัดเข้าว่าได้ฟังธรรมได้ทาบุญได้ทานได้รักษาศีลหน้าศีลอโวสดได้ภาวนาทาละกายวาจาใจของตนให้สะอาดหมดจดจากกิเลสบาปธรรมต่างๆ หมายรหมายความว่ารวมความลงแล้วว่าเรามีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเต็มที่ในก่อนที่ร่างกายนี้มันจะแตกดับทำลายลงนี่เป็นนักบวชริงมีโอกาสมากเพราะว่าสละความผูกพันต่างๆในโลกมาแล้ว เรามีชีวิตนึ่งอยู่ด้วยผู้อื่นเมื่อเขาบริจาคปัจจัยสี่มาอย่างไรได้มากได้น้อยเท่าไรเราก็ บ, บริโภคใช้สอยอยู่เพียงเท่านั้นไม่ทะเยอะทะยานเกินขอบเขตออย่างนี้ก็มันจึงได้มีโอกาสได้ทำความเพียรทาง จ, จิตใจได้สำรวมใจอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน ถ้าผู้ไม่ประมาทนะให้เข้าใจผู้ประมาทแล้วอยู่ในที่สงบสงัดยิ่งปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทั่วไม่ควบคุมจิตของตนไอ้เช่นนี้นะมันก็จะเจริญไปไม่ได้ในพรหมจรรย์นี่นะให้เข้าใจผู้ที่มั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์นี่ได้ก็เพราะอาศัยความเป็นผู้ไม่ประมาท ตามรักษาจิตของตอนอยู่เสมอเสมอนั่นแหละควบคุมจิตให้ยินดีอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ยินดีในการเจริญพระกรรมฐานเพงกรรมฐานให้ปรากฏให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจให้ได้เพราะ เราเอาร่างกายสังขารนี่นะเป็นเป็นสกีพยานเป็นเครื่องเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูเข้าไปร่างกายสังขารนี่ปรากฏในมโนภาพคือเป็นนิมิตให้เห็นให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของร่างกายอันนี้ภาพแห่งร่างกายนั่นนะ เช่นอย่างว่าคนตายลงไปจิตปิญญาณออกจากร่างแล้วหากว่าเอาทอดทิ้งไว้บนพื้นดินไม่ฝังไม่เผาสามวันเจ็ดวันก็เน่ากอกสีเขียวคล้ำลงไปน้ำเหลืองไหลเยิม่มสัตว์ทั้งหลายก็ไปยื้อแย่งกันกินซากศพเหล่านั้น่งกินเหม็นพุ่งไปทั่ว เออไ่ได้เมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วทําไมถึงจะมาหลงยินดีพอใจยึดมั่นถือว่าว่าเป็นของเราของถือว่าเรามีรูปร่างสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้อมก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ปัญญาสอนจิต จิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยกวางได้สิอนี้มันก็ละความยินดีพอใจในรูปในกายอันนี้ออกไปมันก็เกิดขกนิปภิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมาว่าเบื่อหน่ายในฐานะดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ในของโูโครกถูกกะโปรทั้งไม่เที่ยงไม่ยังยืนด้วยทั้งถูกกปรก ทั้งมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามนี่มันจะได้เห็นขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วน ะ, ะมันจึงได้ละความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปท า, านนี่นะไปเรื่อยๆถอนอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นออกจาก ร, รวงจิตนี้ อาศัยร่างกายอันนี้โยแต่ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในร่างกายอันนี้นี่นะหยุดมุ่งหมายของการเจริญพระกรรมฐานเจริญด้วยปันากรรมฐานไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็จะไม่ดูแลรักษามันปล่อยให้มันทุดโทรมแตกดับไปเสียเองมัน อย่างนี้นี่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรผู้ใดเห็นอย่างนั้นคือว่าเห็นผิดดังนั้นเราต้องพยายามฝึ ก, กจิตใจให้มันเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเราเรารู้แล้วว่าร่างกายนี่ไม่เที่ยงก็เพราะมันยังไม่รู้แจ้งตั้งแต่ก่อนมาเหตุนั้นอ่ะมันจึงต้องได้มาเกิดมาอาศัยมันอยู่ ทีนี้เมื่อบุญกุศลนํามาตนนํามาดวงจิตมาเกิดได้รูปได้ร่างอันนี้มาแล้วเอา้าเราตื่นตัวกันแล้ววะนี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเอเราจะพยายามรีบเร่งฝึ ก, กจิตใจเข้าหาภาวนาเข้าไปเพ่งเข้าไว้ให้มันเห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ย แล้วก็หัดปรงหัดวางลงเมื่อเพ่งเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางลงไปให้จิตรวมลงเป็นหนึ่ง อ, อย่างนี้นะถ้ามีแต่พิจณาเรื่อยเปลยไปไม่ปรงไม่วางลงมันก็ไม่ถูกทางอีกเหมือนกันปิดก็ฟุ้งไปซ้ำซเลยในเมื่อเราได้ปรงได้วางลง แล้วถ้าหากว่าจิตมันปงมันวางมันเบื่อหน่ายจริงมันก็หยุดคิดลงไปมันก็เหลือแต่ความรู้กับสติเทานั้นตั้งอยู่ภายในนี่นะความรู้นี่มันก็ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพาการจำ อุบายอันนี้ไว้แล้วประพฤติปฏิบัติตามไปให้เต็มความสามารถของตน